มิลินทาปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทาปัญหาเมนดกะปัญหานววมะวัคทุตังค่าปัญหาที่9เรื่องพระยามิลินปรารบจะถามเรื่องทุดงกับพระนาคเษนอันดับนั้นสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดี จึงจินตนาการหาอัธถปัญหาที่จะไต่ถามพระหน้าเคเสนต่อไปก็เกิดวิมติกังขาสงสัยอันใหญ่ขึ้นในข้อที่พระภิกษุถือทุดงอยู่ในอารัญญิกะประเทศและคฤหัสถ์ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติก็สามารถจะได้บรรลุมรผลคุณวิเศษได้เหมือนกันว่าผิแล้วว่าคฤหัสถ์ย่อมตรัสรู้ธรรมวิเศษได้เหมือนภิกษุที่ถือทุดงแล้วใสทุดงคุณที่ภิกษุถือนั้น จะไม่มีประโยชน์อะไรเป็นอันมร้ผลถือไปให้ลำบากเปล่าๆอัตมาจากถามปัญหาข้อนี้กับพระนาคเสนผู้ทรงพระไตรปิฎกผู้ฉลาดในการที่จะสาทกเปรียบเทียบแก้ปัญหาและมีวาจาไพเราะอันประเสริฐท่านจะได้บรรเทาความสงสัยของเราให้เสื่อมสิน้นคลี่คลายหายไปที่นั้นสมเด็จพระเจ้ามิลินก็ทรงยินดีที่จะถามปัญหาข้อนั้น สงร่าเริงบันเทิงพระหารุทยยิ่งนักโคโนวิยะปีปาสิโตประดุดดังโคอันอยากน้ำเป็นที่สุดแล้วขม่นขมักที่จะไปหาน้ำชาโตวิยะปุริโสประการหนึ่งดุดบุรุษที่หิวข้าวแล้วเที่ยวเสาะสแสวงหาผูชนาหารปันตะโกวิยะสัตถังปฏิมานีถ้ามิฉนั้นดุดคนที่จะเดินทางไปในหนทางเปรี่ยวกันดาล อันงอนง้อขอพึ่งพวกเวียนเป็นเพื่อนไปอาตโรวิยะพิสกังถ้ามิฉะนั้นดุดคนใข้อันเที่ยวหาหมอให้เยียวยาอัทโนวิยะนิถิงถ้ามิฉนั้นดุดคนขัดสนจนยากอันเที่ยวเสาะสแสวงหาขุมทรัพย์ปาระตารโนวิยะนาวังถ้ามิฉะนั้นดุจคนอันจะข้ามฝั่งอยากจะได้ซึ่งนาวาเป็นพาหนะข้ามไป กามโกวิยปิยสมามังถ้ามิฉนั้นดูดคนที่มีอัธยาศาัยใคร่อยู่ในกามมีความปรารถนาจะสมาคมกับด้วยคนอันเป็นที่รักวานิโตวิยวิสัทธกาโมถ้ามิฉนั้นดูดคนเป่าปี่อันปรารถนาจะให้เสียงแหบหวนไพเราะแปลกหูเป็นที่เชิดชูใจแห่งผู้สดับพี่โตวิยสารนังถ้ามิฉนั้น ดุดคนขาดประสบสิ่งซึ่งอันพึงกลัวแล้วสแสวงหาที่พึ่งพาอาศัยชินะปุตโตวิยะวิมุตติกาโมถ้ามิฉะนั้นดุดพระภิกษุพุทธชิโนรสอันทรมานอินทร์ปรรถนาพระวิมุตติธรรมสมเด็จพระเจ้ามิลินมีความบันเทิงพระไทยใครจะถามทุดงข้าปัญหากับพระนาคเสนเถระฉชนนี้ จึงรีบขม่นขมักเข้าไปหาพระนาคเษนโดยพลนในที่นี้ท่านผู้แต่งคำภีผู้คาถาแสดงกิริยาความใคร่ของสมเด็จพระเจ้ามิลินที่ปรารถนาจะถามปัญหาไว้โดยข้ออุปมามีใจความเหมือนกับที่เปรียบมาข้างต้นนั้นทุกประการเอวังมิลินโทราชาเมื่อสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมิินทราธิบดี จอร์ลีคาเมนคมักเข้าไปยังสำนักพระนาคเษสแล้วจึงตรัสปฏิสันฐานเป็นสารานิยกถากับพระนาคเสสโดยสมควรทัศวิธังคุณวรังสมนุปัสสิตาวามาทางพิจารณารำพึงเห็นว่าเมื่ออาตมาถามปัญหาพระนาคเษสแล้วจะได้รับคำวิสัชนาบรรเทาความสงสัยได้ประการหนึ่งจะมีน้ำใจผ่องใสบริสุทธิ์ประการหนึ่ง จะไม่ต้องแสวงหาโอวาดแล้วแล้วเล่าเล่าประการหนึ่งที่วิตกผิดจะได้กลับจิตให้วิตกชอบประการหนึ่งอาตมาจะถึงซึ่งกระแสธรรมแล้วจะได้ปัญญาจากสุประการหนึ่งอาตมาเข้าไปสู่สำนักอาจารย์แล้วจะได้เคารพนบนอบประการหนึ่งอาตมาจะได้ตั้งอยู่ในกุศลธรรมแล้วจะเป็นผู้นิราวนไม่มีธรรมเครื่องกั้นใจประการหนึ่ง อาตมาจะได้ขวนขวายในพระรูปุตราธรรมเนืองประการหนึ่งอาตมาจะไม่ต้องสะดุ้งกลัวตอบพบทั้งสามประการหนึ่งอาตมาเข้าไปสู่ถ้ำกลางบริษัทจะเข้าใจในทางธรรมได้เร็วพลันประการหนึ่งสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมิินทราธิบดีทรงดําริเห็นคุณสิบประการเชนนี้จึงมีพระราชองค์การตรัสถามกับพระนาคเสนว่าพันเตนาคเสนาะ ข้าแต่พระนาคเสดผู้ปรีชาข้รึ่งหัดมีเย่าเรือนเคหาเป็นอาคาริกะบุคคลบริโภค ก, กามาคุณทั้งสามปรับนอนคุกครีคับข้างไปด้วยบุตรและภรรยาจะนุ่งห่มก็ล้วนแต่ผ้าอันดีมีผ้ากาศิกาพทัทเป็นต้นและยินดีอยู่ในสา ว, วะคนทรสมีกลิ่นอันหอมย่อมประกระจเจจันทรงไวซึ่งดอกไม้และเครื่องรูปลาอันหอมรื่น และยังชมชื่นยินดีด้วยเงินทองผูกลก้วโมลีประดับด้วยแก้วมณีแก้วมุกดาและทองคำงามรุ่งเรืองถ้าปฏิบัติเป็นสัมมาปฏิบัติจะบรรลุมรักและผลกระทำพระนิพพานให้แจ้งได้หรือประการใดพระนาคเสนจึงถวายวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารซึ่งว่าครหัด ปฏิบัติเป็นสัมมาปฏิบัติได้บรรลุมากผลกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานนั้นจะมีอยู่น้อยเพียงร้อยหนึ่งหรือสองร้อยพันหนึ่งหรือแสนหนึ่งโกดหนึ่งเท่านั้นหาไม่ได้มีอยู่มากมายเหลือที่จะนับประมาณขอถวายพระพรเรื่อง ถามว่าคฤรือหัดที่ปฏิบัติชอบทำนิพพานให้แจ้งได้หรือไม่สมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นประชากรมีพระราชโอการตรัสถามว่าพันเตนาคเสนฆะ่าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาคฤรือหัดผู้ปฏิบัติเป็นสัมมาปฏิบัติประกอบความเพียรดยปริยายเป็นฉะไหนจึงจะได้บรรลุมรรคผล นิมนต์พระผู้เป็นเจ้าวิสัชนาในการบัดนี้ให้โยมแจ้งก่อนพระนาคเสนจึงมีเถระวาจาถวายวิสัชนาว่ามหาราชะขอถวายพระพรอัตมาจะถวายวิสัชนาคานวณ น, นับคฤหัสที่ปฏิบัติเป็นสัมมาปฏิบัติแล้วได้บรรลุมรรคผลเล่าด้วยร้อยหรือพันแสนหรือโกด ร, ร้อยโกดหรือพันโกดไม่ได้ แต่ข้อปฏิบัติคือสันเลขีตาจาร์หรือทุดงคคคุณอันประเสริฐในพระพุทธศาสนาอันมีองค์ก้าวประการนี้ย่อมรวมอยู่ในเหตุที่จะให้บรรลุมรรคผลนี้สิน้นมหาราชะขอถวายพระพรอภิวุฒังอุทะกังอันว่าน้ำฝนอันตกลงมาโดยที่สาภาคประเทศทั้งหลายจะเป็นที่ลุ่มหรือดอนเสมอหรือไม่เสมอ บนบกหรือในน้ำก็ตามทีตะโตนิวัติติตวาย่อมจะไหลไปประชุมรวมลงในมหาสมุทรสิน้นยะถาความเปรียบนั้นมีขรุวนาฉันใดสัมปาทเกสติเมื่อเหตุที่จะให้บรรลุมรผลคือสัมมาปฏิบัติมีอยู่ข้อปฏิบัติคือสันเลขีตาจาร์และทุดงขะคุณอันประเสริฐในพระพุทธศาสนา อันมีองค์เก้าประการก็ประชมุมรวมลงในเหตุทั้งสิน้นเอวะเมวโขมีอุปมาฉันนั้นแหลมหาราชขอถวายพระผ่อบอพิษพระราชสมภารด้วยเหตุที่อัตมาเป็นผู้ฉลาดรอบในที่นี้อัตมาจะรวมถวายวิสัชนาเหตุที่ให้เจริญบรรลุมรรคผลนั้นเนื้อความจึงจะเป็นจำแนกให้วิจิตด้วยดีบริบูรณ์เต็มที่ มหาราชขอถวายพระพรกุสโลเลขาจริโยอันว่าอาจารย์สอนเลขผู้ฉลาดจะสอนเลขตั้งจํานวนเลขลงไว้แล้วบวกลบคูณหารไปยังจํานวนเลขให้ลงตัวได้แล้วจดตัวเลขไว้แสดงเหตุแห่งความเจริญแห่งวิชาเลขต่อไปด้วยความเป็นผู้ฉลาดรอบของตนยะถา ความเปรียบนี้มีครุวนาชันใดอัตมาก็จักรวมวิสัชนาเหตุที่ให้เจริญบรรลุมากผลให้เนื้อความวิจิตบริบูรณ์เต็มที่มีอุปมาฉะนั้นมหาราชะขอถวายพระพ ร, พรปัญนจักรโกติมัตตาอริยสาวกาอันว่าพระอริยสาวกของสมเด็จพระศาสดาจารย์เจ้าอยู่ในเมืองสาวัตถีนั้นห้าโกฏ และอุบาสกอุบาสิกาที่สำเร็จแก่พระอนาคามิมักรพระอนาคามิผลได้ส5 7 0 0 0ห้าเจ็ดพันและอุบาสกอุบาสิกานั้นใช่จะสำเร็จในบรรพชิตหาไม่ได้ได้สำเร็จธรรมวิเศษแต่เป็นขรวาดอยู่สิน้นใช่แต่เท่านั้นครั้นเมื่อพระองค์กระทาพระปาฏิหารใต้ไม้คันดามะพฤกนั้น วิสติปานโกติโยมนุษย์และเทวดาพ้นทุก์กําหนดได้ยี่สิบโกรเป็นประมาณใช่แต่เท่านั้นครั้นเมื่อสมเด็จพระสัพพัญยูตรัสพระธรรมเทศนาลาหุโลวาทสูตรและครั้นเมื่อเทศนามหามงโคลสูตรและครั้นเมื่อเทศนามหาสมาจิตตปริยายสูตรและครั้นเมื่อเทศนาปราภวสูตร และครั้นเมื่อเทศนาจุลสุพัทธสูตรและครั้นเมื่อเทศนากลรห่วิวาทสูตรและครั้นเมื่อเทศนาจุลพยุหัสูตรมหาพยุหัสูตรตุวัตกะสูตรเทวดาทั้งหลายได้รับประทานฟังพระสัท ธ, ธรรมเทศนาก็ได้สําเร็จธรรมวิเศษไปจะนับด้วยปัญญาพระสารีบุตรก็สุดที่จะนับได้ใช่แต่เท่านั้นในกรุงราชครืนั้น ก็มีพระอริยบุคคลกำหนดได้ห0 0 0 0แสนกับสา0 0มื่นครั้นเมื่อพระองค์สำแดงพระธรรมเทศนาเมื่อครั้งทรมานธนะปาลหัสถีนั้นมนุษย์ก็พ้นทุกข์ถึง90 0 0 0มืนอินทะสาระคูหายังครั้นเมื่อตรัสเทศนาที่ถ้ำชื่ออินทศาระคูหาเทวดาทั้งหลายฟังพระสธรรมสำเร็จธรรมวิเศษแปสบโกฏ ครั้นเมื่อพระสัพพัญญูเจ้าเสด็จอยู่ในนาริกายนาครตรัสเทศนาพระปฐมเทศนาเทวดาได้พ้นทุกข18โกดกับ595องค์เมื่อครั้งสมเด็จพระสัพพัญญูเจ้าตรัสพระสัทธรรมเทศนาที่ป่าสารกะเจดีครั้งนั้นเทวดาพ้นทุก14โกดครั้นเมื่อเทศนาด้วยนายมาลาการกระทําสการะบูชานั้น บุคคลพ้นทุก8 4ดห0พันและเมื่อเทศนาอื่นๆก็มีเทวดาและมนุษย์ได้ตรั ส, สรู้ธรรมวิเศษเป็นอันมากสุดที่จะพนานามาให้สิ้นได้มหาราชะขอถวายพระพรสมเด็จบรมบพิษเจ้าผู้ประเสริฐยัตถะสมเด็จพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์มีพระชนอยู่พระองค์เสด็จเที่ยวตรัสพระสัธรรมเทศนาโปรดไปในที่ใดๆ อันมีในส6บหชนบทนั้นเทวดามนุษย์ประชาชนได้พ้นทุกข์ถึงธรรมวิเศษสำเร็จไปคราวละสองบ้างสามบ้างสี่บ้างห้าบ้างสิบบ้างร้อยบ้างพันบ้างแสนบ้างกระทำให้แจ้งซึ่งพระประมาถธรรมบรรลุถึงพระนิพพานเทวดาเหล่านั้นก็มากกว่าแสนโกรจะเป็นบรรปชิตหามิได้ ย่อมเป็นขราวาสบริโภกกามคุณหลับนอนกับบริจาริกาประดับประดาด้วยอาพรชลมทาด้วยดอกไม้ของหอมพร้อมด้วยความยินดีในสุวรรณรัชตะมณีรัฐผูกเกล้าเมาลีประดับด้วยแก้วและทองสิน้นยังกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานได้มหาราชะขอถวายพระพรซึ่งว่า กระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานนั้นใช่จะกระทำให้แจ้งได้แต่บรรประชิตฝ่ายเดียวหาไม่ได้เทพพยาดาทั้งนั้นก็ดีมนุษย์อันเป็นขราวาสก็ดีก็กระทำได้ขอถวายพระพรเรื่องถามว่าฆฤหัสปฏิบัติดีก็ได้นิพพานถ้าฉะนั้น ทุกงสิบสามจะมีประโยชน์อะไรแก่ภิกษุเล่าสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชองการตรัสว่าพันเตนาคเสณะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาภ้าว่าพระผู้เป็นเจ้าว่าครืงหัดผู้สัมมาปฏิบัติกระทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเหมือนกันกันกบพระภิกษุได้แล้ว พระภิกษุจะกระทากิจในทุดงส3าประการให้สำเร็จประโยชน์สิ่งใดเล่าอุปมาเหมือนคนเป็นโรคาพยาธิเบียดเบียนถ้าใครๆก็รักษาได้จะหาอยู่ยาและหมอมาต้องการอะไรหนึ่งถ้ารบค่าศึกด้วยกรรมมือเปล่าได้ก็จะต้องการอะไรที่จะหาหอกดาบและธนูหน้าไม้ถ้ามิฉะนั้นหนุดไม้เป็นปมเป่าและเป็นโพรงทั้งโกงทั้งสั้น เมื่อเอามาใช้เป็นระ อ, อง่งได้จะต้องการอะไรด้วยหาไม้ยาวทพระ อ, อค์เล่าหนึ่ง <1. S 1> ถ้านั่งนอนที่แผ่นดินต่างฟูกหมอนได้จะหาเสือและที่นอนต้องการอะไรหนึ่ง <1. S 1> จะไปทางกันดารไม่กลัวภัยต้องการอะไรที่จะหาเพื่อนและสตราวุธิไปด้วยหนึ่ง <1. S 1> จะข้าแม่น้าน้อยใหญ่ด้วยใช้กำลังแขนทั้งสองไหวไปได้ จะต้องการสะพานและนาวาข้ามด้วยเรื่องอะไรประการหนึ่งผ้านุ่งผ้าหม่มและข้าวปลาของตัวมีอยู่แล้วต้องการอะไรที่จะไปเที่ยวขอเขาประการหนึ่งสะแลบอ่อที่มีอยู่แล้วต้องการอะไรที่จะต้องขุดใหม่พันเตนาคเสณนะข่าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาอันว่าคารหัดเป็นกามภูขี ยินดีด้วยเงินและทองทุกประการถ้ากระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานได้แล้วจะประโยชน์อะไรด้วยเป็นบนรรพชิตรักษาทุดงคคุณเล่านี่มนพระผู้เป็นเจ้าวิสัชนาให้แจ้งในการบัดนี้เรื่องว่าด้วยทุดงคคุณ28ประการ พระนาคเสนจึงถวายวิสัชนาว่าอัถวีสติขโขปนะมหาราชะอเมทุตังคคุณาขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารอันว่าทุดงคขคุนนั้นมียี่สิบปดประการสมเด็จพระบรมโลกกนราชศาสตราจารย์ทรงขวนขวายสแสวงหาก็ทุดงคักคุนยี่สิบแปดประการนั้นสุทธาชีวัง คือจะให้เลี้ยงชีวิตเป็นสุดทาชีวะบริสุทธ์ด้วยดีประการหนึ่งสุขะพลังให้ผลเป็นสุขประการหนึ่งอนวัชชังเป็นกิจอนหาโทษไม่ได้ประการหนึ่งปรารสะทุกขะปานูทนังไม่กิริยาจะบรรเทาเสียซึ่งทุกของผู้อื่นประการหนึ่งอภยังหาภัยไม่ได้ประการหนึ่งอปีลังหาสิ่งจะเบียดเบียนไม่ได้ประการหนึ่ง เอกันตะวุธิอปริหานิยังมีแต่จะให้เจริญมิเสื่อมถอยประการหนึ่งอามายังปราศจากมายาประการหนึ่งอนาวิลังมิได้ขุนมัวประการหนึ่งอารักขังเป็นที่ป้องกันรักษาประการหนึ่งปัตติตังเป็นคุณที่ชนทั้งหลายปรารถนาประการหนึ่งทันตังสำหรับจะได้ทรมานตนประการหนึ่ง สัพพะสัตทูปนังเป็นเครื่องกำจัดเสียซึ่งสัตราทั้งปวงประการหนึ่งสังวระหิตังเป็นที่เกื้อกูลแกสังวรประการหนึ่งปฏติรูปังเป็นกิจควรที่จะปฏิบัติประการหนึ่งอติสันตังทำให้สงบระงับยิ่งประการหนึ่งวิปมุตังจะให้พ้นจากกิเลสประการหนึ่งราคะขยังเป็นที่สิ้นแห่งราคะประการหนึ่ง โทสะอุปะสมณังเป็นเครื่องปราบเสียซึ่งโทสะประการหนึง่งโมหะวินาสนันเป็นเครื่องทําให้โมหะฉิบหายไปจากสันดานประการหนึง่งมานะปะวะหานังมีกิริยาลอยเสียซึ่งมานะประการหนึง่งกุวิตักะเฉทะการนังเป็นเหตุที่จะตัดเสียซึ่งวิตกอันชั่วประการหนึง่งกังขาวิตตรนัง เป็นเครื่องข้ามเสียซึ่งความสงสัยประการหนึ่งโกัชวิทางสนังมีกิริยาจะกำจัดเสียซึ่งความเกียรติคร้านประการหนึ่งอรติปวาหนังจะลอยเสียซึ่งความกระสันประการหนึ่งขะมะนังมีกิริยาจะให้อดทนประการหนึ่งอะตุละอัปประม า, า น, นังหาคุณที่จะช่างจะประมาณให้เท่าไม่ได้ประการหนึ่ง สัพพทุกขะขยาขะมินังมิปกติยังทุกทั้งปวงให้สิ้นไปประการหนึ่งสิริเข้ากันเป็นคุณยี่สิบแปดประการด้วยกันเรื่องว่าด้วยผู้สมาทานทุดงแล้วย่อมได้คุณานิสงสิบแปดประการมหาราชะตูรนาโบภิตพระราชสมภาน อันหนึ่งพระโยคาวาจรเจ้าที่มาสมาทานซึ่งทุดงนั้นย่อมเป็นผู้ประกอบด้วยคุณ18ประการอาจารโรเตสังสุวิสุทธังคือมัน ญ, ญาตบริสุทธ์ด้วยดีประการหนึ่งปฏิปทาสุจริตาคือมีความปฏิบัติเป็นสุจริตประการหนึ่งกายิกะวาจาิกังสุรัขิตังคือรักษากรรมที่เป็นไปทางกายและวาจาได้ดีประการหนึ่ง มโนสุวิสุธโธคือมีจิตผ่องใสบริสุทธิ์ประการหนึ่งวิริยังสุ ป, ปักขหิตังคือประคองซึ่งความเพียรอุตสาหะเป็นอันดีประการหนึ่งพยังอุปสันตังจะระ ง, งับเสียได้ซึ่งความกลัวประการหนึ่งอัตานุวาฏทิฏฐิพยปัตตาจะสละเสียได้ซึ่งอัตานุวาฏทิฏฐิประการหนึ่งอาคาโตอุปสันโต จะสละเสียได้ซึ่งอาฆาตจองเวรประการหนึ่งเมตตาอุปัติตาจะได้เข้าตั้งไว้ซึ่งเมตตาจิตประการหนึ่งอาหารโรปริคหิตโตจะ ก, กำหนดอาหารที่บริโภคได้ประการหนึ่งสภะสตานังครุ ก, กะโตจะมีจิตนอบน้อมเคารพแก่สัตว์ทั้งปวงประการหนึ่งภูชเชนมัตตัญญุตาจะรู้ประมาณในการที่จะฉันจังหันประการหนึ่ง ชาคาริยานุโยโคจะเป็นผู้ประกอบความเพียรในอันตื่นอยู่ประการหนึ่งอ น, นิเกโตจะเป็นผู้ไม่มีอะไรในที่อยู่ประการหนึ่งยัตถะาสุตัทธวิหารีที่ไหนเป็นสุขสำราญจะได้อยู่ในที่นั้นประการหนึ่งปาปเชคุชโชจะเป็นผู้เกลียดชังบาปประการหนึ่งวิเวการาโม จะได้ยินดีในที่วิเว้ประการหนึ่งสตตังอปมาโทจะเป็นผู้ไม่ประมาทหนึ่งหนึ่งประการหนึ่งสิริเป็น18ประการชนิดเรื่องว่าด้วยบุคคลจะรักษาทุดงต้องประกอบด้วยคุณสิบประการมหาราชะ ขอถวายพระพรบอบพิษพระราชสมภารประการหนึ่งบุคคลที่จะสมควรรักษาทุดงนั้นมีสิบประการสัโทโธคือมีศรัทธาประการหนึ่งฮิริมามีหิริประการหนึ่งทิติมามีปัญญาประการหนึ่งอากุโโหมิใช่คนคดโกงประการหนึ่งอัถวสีชํานาญอยู่ในประโยชน์ประการหนึ่งอโลโล มิใช่คนโลเลประการหนึ่งสิกขากามโมเป็นคนไร่ต่อการศึกษาประการหนึ่งทันหะสมาธานโนมีสมาธานมั่นคงประการหนึ่งอนุชานะพะหุโลไม่มากด้วยคอยยกโทษเขาประการหนึ่งเมตตาวิหารีอยู่ในเมตตาพรหมวิหารประการหนึ่งสิริเป็นคุณสิบประการด้วยกันบุคคลผู้ประกอบด้วยคุณสิบประการนี้ สมควรสมาทานทุดงได้มหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชาสมภารคาราวาสผู้ประกอบการเป็นกามภขูขีอยู่ในกามากุลทั้งห้าคลุกคล้าวไปด้วยบุตรและภรรยาและยินดีในหิรันสุวรรณแก้วก้าวเงินทองทัตทาดอกไม้ของหอมพรักพร้อมด้วยอาพรผ้านุ่งผ้าหม่ม ไว้มวยผมประดับด้วยแก้วมณีกล้าวเป็นเมาลีสีมีผ้าโพกและใส่หมวกขฤรืงหัดจำพวกนี้รักษาทุดงมาแต่ในชาติก่อนคุ้นเคยอยู่แล้วจึงสำเร็จธรรมวิเศษกระทำให้แจ้งทางพระนิพพานได้มหาราชะขอถวายพระพบรบพิษพระราชสมภารธรรมดาว่านายขมังธนูหัดยิงธนูไว้จนชนานาญแล้ว ครั้นไปสู่พระราชฐานยิงถวายพระบรมกษัตริย์ก็แม่นดังหมายได้รับพระราชทานรางวัลเป็นต้นช้างม้าทาสีทาสานารีภรรยาและคามนิคมบ้านสวยร่ำรวยทรัพย์มากมายอาศัยได้เคยสำเนียกยิงแม่นมาแต่ก่อนนั้นยะถาความเปรียบนี้ฉันใดบพิษพระราชสมภาร ขราว่าที่ถึงธรรมวิเศษกระทําให้แจ้งพระนิพพานนั้นก็อาศัยเหตุที่ตนได้ปฏิบัติเป็นสัมมาปฏิบัติในทุดงฆาคุณมาแต่บุรพาชาติจึงสำเร็จได้เหมือนนายขมังธนูที่ยิงแม่นชนี้มหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารบุคคลที่ไม่ได้รักษาทุดงไว้แต่ในบุรพาชาตินั้นจะได้พระอรหัต กระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเป็นอันว่าหาไม่ได้ที่สุดแต่เพียงภูมิพระโสดาบุคคลจะได้ก็ต้องอาศัยเพียรและวัตะปฏิบัติอันยิ่งจึงกระทำให้แจ้งได้เปรียบดุจบุคคลเป็นหมอยารักษาโรคแต่แรกต้องไปร่ำเรียนในสำนักอาจารย์ใหญ่ท่านแนะนำบอกให้จนได้ความรู้ภายหลังหมอนั้นก็เที่ยวรักษา ได้ขวัญข้าวและค่ายาเป็นบำเหน็จเหตุได้ตั้งความเพียมรมรำเรียนในสำนักอาจารย์มาแต่ก่อนยะถามีครุวนาฉันใดบุคคลที่เป็นขราวาสได้สำเร็จแก่ธรรมวิเศษกระทาให้แจ้งซึ่งพระนิพพานนี้ก็อาศัยที่ได้รักษาทุดงไว้แต่ชาติก่อนหลุดหมอซึ่งได้เรียนวิชามาก่อนฉะนั้นมหาราชะ ขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารประการหนึ่งบุคคลที่มิได้รักษาทุดงไว้แต่ชาติก่อนจะได้สำเร็จธรรมวิเศษกระทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานนี้ไม่ได้เป็นอันขาดต่เมื่อได้รักษาทุดงไวแต่ชาติก่อนจึงจะถึงธรรมวิเศษกระทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานสมดังความปรารถนาเปรียบดุจคนที่กระทําการและกิริยาตาย จะบายหน้าไปสู่สุขคติได้ก็เพราะได้บำเพ็ญกุศลไว้ยะถามีขรุวนาฉันใดขราว่าที่สำเร็จแก่ธรรมวิเศษกระทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานนี้ก็อาศัยรักษาทุดงไว้เป็นอุปนิสัยติดมาแต่ชาติก่อนเหมือนดังนั้นมหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐประการหนึ่ง อันว่าทุดงค่ะคุณนี้ปะทวิสมังเปรียบปานประหนึ่งว่าพื้นปัทภีด้วยอัตถว่าเป็นที่อาศัยแห่งบุคคลผู้ใคร่จะบริสุทธ์อาโปสมังประการหนึ่งเปรียบประดุดดังน้ําด้วยอัตถว่าเป็นเครื่องชำระล้างซึ่งสับภากิเลสเตโชสมังประการหนึ่งเปรียบดังไฟอันมีเดชด้วยอัตถว่า เป็นเครื่องเผากิเลสให้หมดสิ้นวายโสมังประการหนึ่งเปรียบดังลมด้วยอัตถว่าเป็นเครื่องพัดเอามวลทินคือกิเลสไปอคทะสมังประการหนึ่งเปรียบดังยาด้วยอัตถว่าเป็นเครื่องรักษาพยาธิคือกิเลสให้เสื่อมคลายอมะตะสมังประการหนึ่งเปรียบดังน้ำอมฤตด้วยอัตถว่า เป็นเครื่องบำบัดกิเลส ท, ทั้งปวงให้สูญหายไปเทตะสมังประการหนึ่งเปรียบดังนาด้วยอัตถว่าเป็นที่งอกงามแห่งสัพพากุศลผลบุญทั้งหลายมโนหระสมังประการหนึ่งเปรียบดังแก้วมโนหระจินดาด้วยอัตถว่าจะให้สําเร็จทิพยสมบัติสามประการคือมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติ อีกประการหนึ่งอันวัตถุดงค์คุณนี้เปรียบดังนาวาเป็นที่จะขี่ข้ามกระแสสงสารถึงฝั่งแห่งอมะตะมหานิพพานประการหนึ่งเปรียบดังที่อันพ้นภัยย่อมจะให้เป็นที่พึ่งพาอาศัยหายใจสบายแห่งคนอันกลัวอันตรายคือชาาทุกและมรณะทุกทั้งหลายในวัฏฏะสงสารประการหนึ่งอันวัุดงค์คุณนี้ มาตุสมังเสมือนหนึ่งมารดาเหตุว่าจะเลี้ยงรักษากรรมจัดเสียซึ่งทุกขเวทนาคือกิเลสแห่งบุคคลอันปรารถนาซึ่งวิสุทธิและจะกระทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานประการหนึ่งปิตุสมังเสมือนบิดาเหตุว่าจะให้เกิดซึ่งสามัญญผลแก่บุคคลผู้ปรารถนาเพื่อให้บริสุทธิ์มิตรสังมหาราชะ ขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารประการหนึ่งอันวาทุดงขคุณนี้เหมือนหนึ่งว่ามิตรร่วมใจจะให้สาเร็จพระสามัญเยผลแห่งบุคคลผู้ปรารถนาเพื่อจะให้บริสุทธิ์ปัทุมมะสมังมหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารอันวาทุดงขคคุณนี้เปรียบดุจปทุมชาติบัวหลวง อันมิได้ติดต้องไปด้วยอุทธากังคือกิเลส ท, ทั้งปวงมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารทุตังะคงงะคุณังอันวาทุดงคะคุณจะตุชาติวรคันทะสมังเปรียบดุจคันทชาสีประการอันหอมประเสริฐอันจะ ก, กำจัดเสียซึ่งกิเลสมนทินกลิ่นร้ายสาธานมหาราชะ ขอถวายพระพรบอพิษพระราชสมภารทุตังคะคุนังอันว่าทุดงคะคุนนี้สิเนรุสมังเปรียบดุจหนึ่งว่าสิเนรุขี่ริยราชบ่มิหวาดไหวด้วยลมโลกกรรมหากิเลสจะครอบงำย่ำยีมิได้มีประจำอยู่ในสันดานแห่งบุคคลผู้ปรารถนาจะให้บริสุทธิ์ถึงพระนิพพานประการหนึ่งเล่าขอถวายพระพร ทุตังคะคุนังอันว่าทุดงคะคุณอากาสะสมังเหมือนด้วยอากาศกว้างใหญ่ไม่มีที่สุดคือหาศัตรูหมู่กิเลสกระทำร้ายไม่ได้มีแก่บุคคลที่ปรารถนาจะให้บริสุทธิ์จากสงสารมหาราชะขอถวายพระพรบอภิษพระราชสมภารทุตังคะคุนังอันว่าทุดงขะคุณนัตโชสมังเปรียบดุดแม่น้ำอันกว้าง จะลางเสียซึ่งมนทินคือกิเลส ท, ทั้งปวงแห่งบุคคลอันปรารถนาจะให้บริสุทธิ์จากวัตฏะสงสารมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภาร